สถานการณ์ไข้วัดใหญ่ดีขึ้นมากเลยนะตั้งแต่จับพวกนักปั่นข่าวออกไปเรียบร้อยนะมันเว่อรว่อไร่ผลเชื่อไวลาต้นต่อที่เมืองจีนกว่จะมาถึงเมืองไทยเนะี่ยมันอ่อนอ่อนกำลังลงเยอะแล้ว เซลแต่และเซลเนี่ยมันมีพลังที่จะขยายตัวจํากัดอย่างเซลลในร่างกายพวกเราเนี่ยมันจะออกใหม่แยกตัวใหม่ได้มันมีจํานวนไม่อ น, นเราไม่แก่หรอกเชื้อโรคมันก็เหมือนกันมีชีกลัวเกินไปมันจะไม่ตายเพราะโรคหวัดหรอมันจะตายเพราะโรคเครียด วันนี้จิตพวกเราดูดีขึ้นนะดีกว่าเมื่อวานแต่เป็นปกติวันเสาร์จะดูฟุ้งซ่านกว่าวันอาทิตย์ไม่รู้เพราะอะไรหรือวันเสาร์เพิ่งมาวัดเป็นวันแรกใจยังฟุ้งอยู่มาแล้วก็มาอยู่แถวนี้กันคืนหนึง่งเช้าเข้ามาวัดอีกดูภาวนาดีขึ้น เหมือนพระหลวงพ่อเนี่ยเช้าวันพุธนะี่จะเนียบมากเลยถ้าเรามาวันพุธจะเห็นเพราะวันพุธหลังฉันเนี่ยหลวงพ่อสอนพระเฉพาะพระภายในนะพระอาคารถุกกาวไม่ได้นิมนต์เข้ามาเหมือนพระจะฟิตซ้อมก่อนที่จะเผชิญหน้ากับมฤตยู สะซ<ง>้อมภาวนาหลวงพ่อยังบอกเรื่อยๆเลยว่าถ้าทุกวันทำได้เหมือนวันพุธคงมรรู้มรรคผลไปเยอะละนะแต่พอห่างหลวงพ่อหน่อยมันก็เวยบางทีเยแต่พระหลวงพ่อโอเคนะใช้ได้ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นทุกหงษะ พวกเราก็เหมือนกันคารวะก็สามารถบรรลุมรรคผลได้โดยเฉพาะมรรคผลกันต้นๆเนี้ยคาสไม่แพ้พระหรอกมันอยู่ที่เราทำถูกไหมทำมากพอไหมสองตัวเนี้ยจะทำได้มากพอก็ต้องอดทนจะทำให้ถูกก็ต้องอดทนแต่ทนคนละแบบ จะทำให้ถูกก็ต้องอดทนต่อคาสอนของครูบาอาจารย์โดนโขกโดนสับโดนจิกโดนตีนะถ้วทนได้ก็ได้ได้แก่นเพราะพระพุทธเจ้าบอกเราจะทุบพวกเธอเนะเหมือนช่างปัน้นหมอทุบดินทุบทุบทุบไปใครทนได้ก็ได้แก่นแลวเราต้องทนต้องอดทน บางคนทนคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ไม่ไหวครูบาอาจารย์สอนว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกเหมือนก็เถียงนะว่าถูกแล้วละ่ะครูบาอาจารย์ไม่รู้จริงไปโน่นเลยนะมีไม่ใช่ไม่มียิงยุคของเราเนี่ยยุคที่คนใจกระด้างนะใจกระด้าง รุ่นหลวงพ่อเขาไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยใจเราอ่อนน้อมกับครูบาอาจารย์มากเลยครูบาอาจารย์สั่งคําเดียวนะให้ทําอะไรก็ทําเลยไม่มาถามเหตุผลด้วยซ้ำไปเพราะเราดูออกว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนดีหรือไม่ดีเงั้นอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เล็กนะับเจ็ดขวบเองนะพ่อพาไปหาท่านพรหลีท่านพรหลีจะจับมานั่งตัก สอนกรรมฐานบอให้หายใจเข้าพูดให้ใจออกโตนับหนึ่งห้ใจเข้าพูดออกโตนับสองสอนไม่ได้บอกว่าทำแล้วจะเป็นอะไรขึ้นมาหลวงพ่อทำทำทุกวันเลยนะฝึกอนาปนาสติมาเจอหลวงปู่ตูลท่านบอกให้ดูจิตตัวเอง ให้อ่านจิตตัวเองไม่นานาหนังสือนะดูไม่เลิกเลยนะถ้าไดให้ดูจิตเองว่าก็ดูไม่เลิกเลยนะอดทนนะบางครั้งทําผิดไปนะเรานึกว่าถูกมีกล่าวหนึ่งนึกถึงคำของหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจีลอกนอก หลวงพ่อกเลยส่งเข้าข้างในก็เห็นกิเลนมันผุดขึ้นมาจากกลางอกผุดขึ้นมาถ้าเรารู้ทันมันก็ดับไปหลวงพ่อเกิดสงสัยว่าต้นต่อของมันอยู่ที่ไหนก็ปล่อยให้มันผุดขึ้นมานะพอมันผุดขึ้นมาเนี่ยเอาสติแต้มันเบาๆถ้าแตะแรงมันดับทันทีเลยเอาสติแต่นิดๆมันก็หดตัวลงไป เข้าไปอยู่ข้างในหลวงพ่อก็ตามเขาไปนะมันก็ลึกลึกหนีลึกลงไปเรื่อยๆเราก็นึกในใจนะว่าถ้ามันหนีไปถึงเมืองบาดานเราจะตามไปไปถึงไหนถึงกันเลยพอลึอกลงไปถึงจุดหนึ่งมันสลายตัวหายไปมันหายไปหลวงพ่อก็ใจเย็นนะถอนจิตขึ้นมาอยู่ข้างนอกเนี้เดี๋ยวมันผุดขึ้นมาอีกนเราก็ดูมันก็ลงไปอีกนแล้วมันก็หายไป เนี่ยดูอยู่อย่างนี้นะเพราะว่าหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจีดองนอกเราไม่รู้หรอกว่าไอ้การส่งตามเพราะข้างในก็คือการส่งจีดองนอ ก, นอกนพอดีขึ้นไปเชียงใหม่ไปเจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมเห็นหน้าหลวงพ่อก็ควักมือเรียกเลยผู้รู้ผู้รู้ท่านเรียกหลวงพ่อ ว, ว่าผู้รู้เป็นฉายาที่ท่านตั้งให้ผู้รู้ผู้รู้ ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกที่ไม่ต้องถามท่านนะท่านรู้เลยว่าเราจะลงไปดูว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมาได้ไงบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในครอกเราฟังแล้วก็งงนิดหนึ่งเอ๊ะทำไมหลวงปู่สิมบอกให้มาอยู่ข้างนอกหลวงปู่ดูลนบอกอย่าออกนอกนะครูบาอาจารย์ทำไมสอนไม่เหมือนกัน หรือว่าเราทำผิดลงลึกไปเข้าข้างในมากไปออกนอกก็หลงไปไกลเพราะฉะนั้นตอนไปนี้เราจะอยู่ตรงกลางนึกในใจหลวงปู่เทศเคยสอนเราผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเราะั้นเราอยากเข้าถึงความเป็นกลางรักษาจิตไว้กลางๆไม่ข้างนอกไม่ข้างในรักษาไว้ นี่พอลักษาอยู่ ก, กลางๆแล้วแค่ไหนถึงจะกลางจริงเนี่ยดูความดิ้นรนของจิตหลวงพ่อนะมันดิ้นมากเลยแค่ไหนมันจะกลางจริงก็กลางระหว่างข้างนอกระหว่างข้างในหรือระหว่างจิตกับอารมณ์คําว่ากลางเนี่ยมันมีสภาวะอยู่สองตัวจิตเป็นคนรู้อารมณ์เป็นของถูกรู้สองตัวอยู่คู่กันตลอด ไปดูจิตก็มากไปไปดูอารมณ์ก็มากไปดูตรงกลางงั้นใช้วิธีนะส่งจิตเข้าไปที่อารมณ์เคลื่อนไปหาอารมณ์อย่างไปดูความว่างๆเนี่ยความว่างเป็นอารมณ์ส่งจิตไปที่ว่างพอจิตจะจับเขาที่ว่างนะไม่ให้จับนะถอนกลับเข้ามาที่ตัวผู้รู้เข้ามาที่ตัวจิต เพราะมันจะมาจับเขาที่ตัวจิตก็ไม่ให้จับนะย้อนกลับไปที่สิ่งที่ถูกรู้ที่ตัวอารมณ์อเนะีเคลื่อนเข้าออกเคลื่อนออกอย่างนี้นะอยู่ๆมันรวมปบลงไปตรงกลางเลยโลกธาตุนี้ดับไปหมดเลยไม่มีความคิดไม่มีเวลาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยตัวความรับรู้ก็ไม่ใช่เป็นดวงดวงไม่ใช่มีจิตเป็นดวงดวงเลย ทุกอย่างกลืนเป็นธรรมชาติอันเดียวกันหมดเลยพอจิตถอนออกมาแนละ้วตรงนี้ละมั่งนิพพานเพราะว่าตรงนี้เป็นอากาลิโกเลยไม่มีเวลาไม่มีความปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นสงสัยว่าถ้าอยู่ตรงนี้นานๆแลคงจะนิพพานก็เล่นอยู่งื่นพักหนึ่งนะในสุดค่อยๆสังเกตเห็นไอ้ตรงที่เราว่ากลางเนี่ย เรายังทําขึ้นมาเรายังแต่งขึ้นมานัเป็นความปรุงแต่งเพราะฉะนั้น้ตรงที่ไม่จับผู้รู้ไม่จับอารมณ์เนี่ยยังเป็นสมถะอยู่เนี่ยสังเกตเห็นนะสังเกตเห็นนี่ตอนนั้นหลวงปู่ดุลไม่อยู่ล้วหลวงพ่อขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศไปเล่าถวายท่านแล้วก็บอกผมคิดว่ามันเป็นสมถะนะมันเป็นสมาธิอย่างหนึ่ง หลวปู่เทศบอกใช่เป็นสมาธิอย่างหนึ่งแต่ให้ฝึกไว้ให้ชำนาญเพราะว่าในยุคนี้ไม่มีใครเล่นลนะสมาธิมันมีหลากหลายมากนะไม่ใช่มีแค่ให้ใช้เข้าผู้ออกโทรกเรื่องของสมาธินี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเมตตาสมาบัติก็อันหนึ่งนะกรุณาสมาบัติมุทิตาสมาบัติอุเบกขาสมาบัติ พรนะาาสมาบัตินิโรธสมาบัติโอวยแย่ไปหมดเลยเรื่องของสมาธิท่านบอกให้เล่นก็เรียนท่านบอกผมกลัวติดท่านบอกไม่ต้องกลัวถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เองใช่ไหมนี่นะโอ้ยเราอาจารย์ให้ท้ายเราขื้เขิมนะเล่นใหญ่เลยนะเล่นอยู่ช่วงหนึ่งพอดีไปเชีงยงใหม่ ตอนค่ำนะไปสมัมมนาตอนค่ําคนอื่นเขาไปกินเลี้ยงเราหนีเข้าวัดที่เชียงใหม่ตอนนั้นมีพระดีอยูองค์หนึ่งคืออาจารย์ทองอินอยู่วัดสันติธรรมท่านเป็นเจ้าวาดวัดสันติธรรมอยู่ตรงช้างเผือกเราก็ไปหาท่านไปไปถึงหน้าวัดนะวันนั้นไฟมันดับหรืออะไรไม่รู้มืดตื่นเลยทา้งวัดนะอากาศก็เย็นจัด ก็ไปถึง้มีพระมาะยืนตะคุ้มตะคุ้มหน้าวัดอยู่องค์หนึ่งอยู่ที่หน้าประตูเลยแล้วก็ถามจันว่าอาจารย์ทองอินอยู่ไหมท่านบอกอยู่แต่วันเนี้ยอาจารย์บุญจันทร์ลงมาจากท่ามผาพึ่งนะให้ไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยเราบอกไม่ไปไม่รู้จักเราจะไปหาอาจารย์ทองอินท่านก็เซาซีนะก็ไปหาหน่อยหน้าไปหาหน่อยนะ ไปไงมันมืดแล้วครับไม่รู้จักท่านอ่ะถ้าเาลือดะาลาไปเดี๋ยวท่านว่าไม่ถูกกัลาเทศะอะไราเงี้ยก็ไม่ยอมไปพระไปคุยอยู่กับอาจารย์ทองอินอาจารย์ทองอินท่านก็ภาวนาจนจิตมันแบกออกมานะสะวางออกมาจิตมันเบิกบานได้คุยกคนรู้เรื่องนะคุยอยู่สักชั่วโมงหนึ่งออกมาจากกุฏิอาจารย์ทองอินนะ พระอง์นี้ยังยืนเฝ้าอยู่เอ้ท่านก็บอกไปหาจันบุญจันหน่อยเถอะเราอูมันดักเราเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะอยากให้เราไปหาอาไปก็ไปท่านก็พาเข้าไปชับุญชันมาเป็นอาคัรตุกะท่านลงมาจะมาหาหมอที่เชียงใหม่เดินขึ้นกุฏิท่านไปขึ้นอยู่ชั้นสองกุฏิไม้เล็กๆนึกว่าท่านจะอยู่ในห้องเฝ้า ท่านมีตังตัวหนึ่งนะท่านนอนรออยู่ที่หน้าห้องทาง่านทางที่ไม่สบายนะคลุมโปลงอยู่ไม่สบา ย, ยาสัน่นเลยพอขึ้นไปนะท่านลุกขึ้นนั่งผนะ้าที่คลุมสีราะออกชี้หน้าไงภาวนาอย่างไรก็เล่าให้ท่านฟังนละเราไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้ไม่จับอะไรเลย ท่านตะวาดใส่เฮ้ยน่พานอะไรมีข้ามีอบโดนท่านดูนะท่านแม่ได้ดูเรียบร้อยนะท่านตะวาดใส่เลยเฮ้ยน่พานอะไรมีข้าวมี อ, อกไงจะภาวนาไงาต่อไปนะท่านถามแล้วฟังสำเนียงท่านเราฟังไม่ค่อยออกนะสำเนียงมันไม่ค่อยตรงกันภาษาที่พูดนะก็เลยนึกว่าหรือว่าท่านฟังสำเนียงเราไม่ออกเล่าซ้านะ ซครั้งที่สองว่าไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้ท่านตวาดครั้งที่สองมาเฮียนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะในพิธีสอนของท่านนะไม่ใช้ตวาดหรอกสอนคนอื่นท่านคงไม่ตวาดหรอก น, ะนี่ท่านตัดตวาดออกดังๆเลยพอท่านตวาดครั้งที่สองเนี่ยหลวงพ่อปิ้งขึ้นมาเลยเข้าใจแล้วสิ่งที่ท่านสอนถ้าเราเล่นอยู่ตรงเนี้ยนะเราไม่มีทางเข้าถึงพนิพพานตัวจริงเลย อ น, นมันแค่ภาพจำลองของนิพพานเป็นเรื่องของสมาธิไม่เล่นอยู่อย่างเงี้ยเล่นให้ตายก็ไม่บรู้มุมรกผลมากกว่านี้หลวงปู่เทศก็คงไม่ได้สอนให้เล่นอยู่ตรงนี้ทั้งชีวิตหรอกท่านบอกให้ฝึกไว้ให้คล่องแคล่วให้ชํานาญเราก็ฟังครูบาอาจารย์ไม่เข้าใจลเล่นไม่เลิกเล่นไปเรื่อยๆเจนบุญยันท่านมาดุพอจิตเราหลุดจากตรงนี้ปุ๊บะเลิก ใจรู้ล้ตรงนี้ไม่เอาแล้วเสียเวลาท่านหัวล้อเสียงดังเรห่างเงี้ดังท่านหัวเราเพิ่มหัวล้อาบ้างสินะหัวล้อด้วยพลอยเรียกว่าตามอาจารย์พอนะเราหัวล้อปุ๊บเนะี่ยท่านหยุดปุ๊บเลยพอท่านหยุดปุ๊บนะีหลวงพ่อก็หยุดปุ๊บเหมือนกันใจนี่เรียบลงเหมือนแผ่นกระจกนะไม่ใช่เป็นน้าที่มีคลื่นเลย ตอนหัวล้อเหมือนน้ำกระเพื่อมพอเราหยุดปุ๊บใจราบเป็นหน้ากลองะท่านพยักหน้าใช้ได้ที่จริงหัวล้อยั่วเราอยากลองเราว่าเราจะเอาตัวล้อได้เร็วแค่ไหนงัท่านหัวล้อแล้วให้เราหัวล้อตามเราหัวล้อท่านหยุดเราหยุดท่านบอกใช้ได้ไปได้แล้ว บอกอเรียกเรามาด้วยทรงนี้เองลงมานะพระคนนั้นก็เดินตามมาพระเด็กนะั้นมาส่งหน้าวัดแล้วบอกว่าเนี่ยท่านอาจารย์บุญจันทร์ท่านสั่งไว้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วเพราะว่าวันเนี้ยตอนค่ําำจะมีโยมคนหนึ่งมาที่วัดเอาตัวมาให้ได้ท่านสั่งอย่างนี้นะพระคนนั้นครูบาอาจารย์สั่งนะทนหนาวทนบอกหยืดรอมาตั้งแต่เย็นๆแล้ว ไม่อยากคลาดสายตาเดียวเรามาแล้วท่านไม่เห็นครูบาอาจารย์เนี่เอาเรื่องเนี่ยนักปฏิบัติจริงๆนะจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์มากเลยหลวงพ่อถูกท่านดุถูกท่านตวาดนะกับปลื้มใจเนะี่ยจามาจนวันนี้เลยนะรู้สึกโอ้โหเคารพถึงอกถึงใจเลยนะเราไม่รู้จักท่านนะท่านยังรู้จักเราเรามาแก้ธรรมทานให้เราให้พระมาะตามไป นนท่านบุจันทร์เนี่ยท่านมรณภาพแถวปักช่องตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชหลวงพ่อก็ไปงานศพท่านไปเผาศพท่านนี่ยพไปเผาศพท่านไม่นานหลวงพ่อก็มาบวชบวชในพรรษาที่สามทนะานพรรษาที่สามแนละ้วพอเข้าพรรษาที่สี่ไนมะมีโยมจากเชียงใหม่นั่งรถตู้มากลุ่มหนึ่ง เราก็ถามว่ารู้จักเราได้ไงตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไรรู้รู้ที่ที่เราซ่อนนะี่ยไปซ่อนอยู่ส่วนผของภาวนาเราอยากรีบภาวนาของเราเขาบอกอาจารย์บุญจันทร์สั่งให้มาเขาถามบุญจันทร์ไหนบอกบุญจันทร์ท่ามผาเพิ่มบอกเฮ้ย hey, ท่านโบรณาภาพตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อสบวช ก, ก็นั้นแหละลูกศิษย์เขบอกนั่นแหละท่านสั่งไว้ บอกว่าเดือนนี้ปีนี้นะให้ไปหาพระชื่อนี้ชื่อนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยท่านบอกไว้หมดเลยตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปปวดที่ไหนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านรายการขนัดนั้นไม่ใช่รายการท่านเก่งท่านเก่งะเนี่ยโดนครูบาอาจารย์โขกสัพท์นะแล้วมันปลื้มใจ งั้นเวลาทำผิดแล้วท่านว่าเราเนี่ยเราปลื้มใจอีกทีหนึ่งหลวงตามหาบัวหลวงพ่อภาวนานะแล้วจิตเนี่ยสว่างสบายสบายอยู่เป็นปีเลยสงบรู้ตื่นเบิกบานสบายมีความสุขอยู่เนะเป็นปีเลยแล้วก็สังเกตตัวเองทําทำไมไม่พัฒนาเลยมันอยู่อย่างเนี้ยคงที่อยู่อย่างเนี้ยไม่เสื่อมลงลก็ไม่เจริญขึ้น คุณงามความดีของเราหยุดนิ่งเพรเบาบได้เจ้าว่าท่านแม่สารเสริญความดีที่อยู่ที่ต้องมีอะไรไม่ถูกแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่ถูกองไรพอดีขึ้นไปบ้านตากเข้าไปกราบโลวตามหาบัวสมัยนั้นคนอย่างน้อยเข้าไปกราบท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์ครับผมขอโอกาสแล้วบอกเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ว่างนั่งรอก่อนไปนั่งอยู่ข้างหลังท่านนะ ท่านก็นัง่งวุ้กวางวุ้กว่างสั่งพระทํางานจัดอาสนะจัดอะไรเงี้ยองไหนชับชาท่านก็ดุเอาองไหนรวดเร็วแต่เสียงตึงตังท่านก็ดูเอาอย่างเงี้ยแล้วดุๆจนเป็นที่พอใจของท่านแล้วน่นฮ ะ, ะว่าง่ายองตาไม่มีพูดเพราะๆเจ ร, ริญพรว่าไง่ยโยเหมียว่าไง่นะว่าไงไม่ไม่เสียงดูขนาดนี้ว่าไง่าย บอกพ่อแม่คัวอาจารย์นะให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่นะแต่ทำไมมันไม่พัฒนาผมเห็นว่ามันไม่พัฒนาท่านมองหน้าปลาท่านก็ตอบนละที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองนะอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้แล้วนะก็กราบท่านครับเข้าใจแล้วเรานึกว่าเราดูจิตอยู่ที่จริงดูไม่ถึงจิต ดูไม่ถึงจิตนะท่านบอกให้บริกรรมหลวงพ่อก็ถอยออกมาสองสามเมตรนะ่ะนั่งอยู่ข้างหลังท่านนั่งหายใจเข้าพูด อ, อกโทรนับหนึ่งนับสองอย่างที่ท่านพ่อรีสอนมาตั้งแต่เด็กและวหายใจไปไม่กี่ทีนะจิตกระรวมเมืจิตรวมแล้วพอจิตถอนขึ้นมานะโอ้โหเราอยากเจเกีกว่วตัวเองจิตเราไม่ถึงฐานเป็นปีเลย นะว่างสว่างแต่ไปอยู่ข้างนอกพอจิตรวมเรี่ยมันเข้าที่แล้วเราก็นึกออกเลยว่าไม่เหมือนกันนะก่อนหน้าเนี้จิตไปอยู่ตรงนี้ว่างๆที่หลวงพ่อบอกพวกเราให้จิตไม่เข้าฐานอนะไคือสิ่งที่หลวงตาธรรมบวชเคยสอนหลวงพ่อมาเราก็ให้เอาเข้าฐานในวิธีเอาเข้าฐานท่า น, ท, านท่านใช้พุโทโธหลวงพ่อพูดโธแล้วหลวงพ่อพพ อ, พอึนอัดหลวงพ่อไม่พุโทโธหลวงพ่อหายใจ แต่ว่ามีพู้โธด้วยใชเข้าวผู้ด อ, อกโธเนะนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ท่านตำหนิตีเตียนนะเป็นเรื่องดีของเราหลวงพูดโดูลยก็เคยครั้งหนึ่งหลวงพู่ดูนยก็เคยตำหนิหลวงพ่อครั้งหนึ่งนะจะเรียกตำหนิก็ไม่เชิงหรอกแต่ว่าสอนมากกว่านะครูบาอาจารย์ที่ตวาดจริงๆก็มี อปู่บุญจันทรองค์เดียวลวนอกานั้นท่านสอนเรารไปเรลกับหลวงปู่ดนูนะเข้าไปหาท่านครั้งแรกวันที่หกกุมภาสองพันยี่บห้าท่านก็บอกให้ไปดูจิตเราก็กลับมาดูจิตในสุดแล้วก็จับเอาตัวผู้รู้ขึ้นมาหลวงพ่อก็ไปจ้องตัวผู้รู้ไวไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะอยู่กับตัวรู้ดู น, ะดนิ่งๆว่างๆ แล้วก็สามเดือนขึ้นไปหาหลวงปู่ใหม่บอกท่านว่าผมดูจิตได้แล้วดูได้ทั้งวันเลยท่านถามว่าจิตเป็นไงบอกจิตมันวิจิตพิสดานมากครับมันทำงานได้สารภาัดเลยแต่ผมรู้ทันมันนะมันก็ว่างอยู่ท่านบอกผิดแล้วท่านไม่ได้ดูด่าวากเปล่านะแต่ท่านบอกว่าผิดแล้วเสียงท่านจะหควนๆเสียงหลวู่ดูนะผิดแล้วอย่างเงี้ย ให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปปรุงแต่งจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งนี่เราไปปรุงแต่งจนมันไม่คิดนึกปรุงแต่งมันว่างๆผิดแล้วไปทำใหม่สำนวนหลวงปู่ดูลนะไม่มีรายละเอียดอะไรผิดแล้วไปทำใหม่ครคบาอาจารย์ว่าเราก็มาดูมาศึกษาของเราเองเนือหลวงปู่ดนลช่วง ก่อนท่านมรณนะภาพไม่นานนะหลวงพ่อก็เคยสงสัยหลวงปู่ให้ดูจิตพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกทุกมันอยู่ที่นี่นี่ว่าจิตมันอยู่เป็นคนดูอยู่ข้างบนเนี่ยพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกเราก็วควรจะรู้ที่นี้หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตแล้วควรจะไปดูตรงนี้แล้วจะด่วนไหนแน่ทําไมหลวงปู่ดูลสอนขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าไปคิดแม่หลวงปู่ดูลสอนขัดกับพระพุทธเจ้านะหลวงพ่อ ใจมันไปอีกช็อตหนึ่งเลยเราเข้าใจคําสอนของครูบาอาจารย์ผิดที่ตรงไหนไม่ใช่ครูบาอาจารย์ผิดนะใจเนี่ยมันปุ๊บลงมาเลยเราเข้าใจสิ่งที่หลวงปู่ดุลสอนผิดตรงไหนมันถึงไม่ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยคิดเลยนะว่าหลวงปู่ดุลสอนผิดแต่ว่าเราหละเข้าใจคําสอนของท่านผิดที่ตรงไหนวยใจมันคิดอย่างนี้นะใจไม่มีร่วงเกินครูบาอาจารย์เลย สิ่นิดหนึ่งก็ไม่มีนะขยับจะถามท่านนะขยับจะถามท่านว่าจะดูตัวไหนดีผมควรจะดูตัวทุกหรือจะดูจิตดีเดีเอาไว้ก่อนเอาไว้ดูเองหลวงปู่ ด, ดูลมรณภาพนะหลวงพ่อก็เลยเรียนกับหลวงพู่เทศฝากเป็นฝากตายอยู่กับหลวงพู่เทศ แล้วก็กาจะถามท่านแล้วก็เอาไว้ก่อนหลวงพุทธเส้นไปนะหลวงพ่อก็ไปเรียนกับหลวงปู่สิ น, นก็เอาไว้ก่อนอีกจนกระทั่งครูอาจารย์เนี่ยสิ้นไปหมดเลยจนมาบวชแล้วนะยังเข้าใจยังหาคําตอบในข้อสงสัยนี้ไม่ได้เลยมาบวชในพรรษาแรกนะขึ้นไปหาหลวงปู่สวรรัตหลวงปู่สวรรัตเนี่ยหลวงพ่อรู้ว่าท่านภาวนาดีแน่นอ น, นไม่สงสัยท่าน เคยเห็นความสามารถพิเศษของท่านก็เยอะขึ้นไปถามจะไปถามนะแต่ว่าเอาให้ดูก่อนเพราะฉะั้นความสงสัยข้อนี้ไม่ได้คำตอบจากครูบาอาจารย์จะดูตัวทุกข์ที่นี่หรือจะดูจิตที่นี่จิมอยู่ข้างบนนคนดูอยู่ข้างบน สุดท้ายไม่มีครูบอาจารย์ที่จะตอบเราได้แล้วยุคนั้นหลวงตามหาบัว ย, ยังอยู่แต่เราเข้าไม่ถึงท่านแล้วตอนหลังๆท่านทำให้เรื่องช่วยชาติเรื่องอะไรนะวุ่นวายไม่ใช่ท่านวุ่นวายนะหมายถึงงานของท่านวุ่นวายไปน่นไปนี่ตลอดเราไม่รู้จะไปหาท่านยังไงเอาไว้ัวเองไว้ดูเอง โดูยมภานภรษาที่สามไปแล้วนะเราถึงเข้าใจให้เข้าใจด้วยตัวเองสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นถูกต้องสิ่งที่หลวงพู ด, ดูลสอนก็ถูกต้องเหมือนอันเดียวกันเราพปแยกจิตกับทุกออกจากกันในความเป็นจริงแล้วจิตนั่นแหะคือตัวทุกเหมือนะนที่หลวงพู ด, ดูลบอกจิตเห็นจิตอย่า ง, จงแจ่มแจ้งเป็นมรรคมันเป็นอย่างนั้น จิต ท, ที่เห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นความจริงของจิตจิตมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบขั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้เข้าใจขึ้นมาโ อ, โอมันอย่างงี้เองเข้าๆๆใจลหลวงพ่อนะจะเป็นคนที่เคารพครูบาอาจารย์มากเลยครูบาอาจารย์สั่งอะไรทําท่านพ่อทีให้ทําอนาปนสตินทําอยู่ยี่สิบสองปีไม่เลิกเลย หลัง่างนั้นพอมาเจอหลวงบุดูลให้ดูจิตลืมมานาปันสติไปสมาธิเสื่อมสมาธิเสื่อมจิตี่ออกนอกไปไม่เข้าฐานเนี่ยครูบาอาจารย์นะท่านตบซ้ายตบขวาเราให้เข้าทางคนรุ่นเราเนี่ย น, นะใจใจหยากมากเลยน่ะกะธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนให้โมโหมีบางคนขับแค้น เราภาวนาดีทำไมไม่ชมเราสักทีอะไรเงี้ยโกรธมีสอนยากว่ายากสอนยากมีทั้งโยมมีทั้งพระอะไรนะวันนี้ไม่มายิ่งประเภทบรรลุมากผลมาแล้วบอกว่าไม่ใช่นะี่แฉนมากเลยแฉนใจมันมันโลภ อยากบรรลุมรรคผลอยากเป็นพระรอรหันตะ์อะไรเงี้ยใจมันโลภใจมันไม่ได้รักความจริงหลวงพ่อพอนานานะเรารักความจริงจริงๆคือเราติดตรงนี้ขัดตรงนี้นะพรูบาอาจารย์ชี้เราโอเคเลยจิตส่งออกนอกก็ผิดมันเป็นความปรุงแต่งฝ่ายชั่วนะจิตส่งเข้าไปข้างในก็ผิดมันเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดี พยายามรักษาตัวเองอยู่รักษาจิตไว้ตรงกลางไม่คิดไม่เนิก่ก็ผิดนะเป็นความปรุงแต่งฝ่ายว่างความปรุงแต่งมีสามตัวนะอาปุญญาพิสังขารจิตหลงออกไปข้างนอกนี่ปรุงชั่วแล้วหลงไปหารูปเสียงกลิ่นรสพุทธภาในทั้งหลายพุ่งสั้นไปนะนี่กิเลสลากออกไปเพราะฉะนั้นจิตสรงองอกนอกคือความปรุงแต่งฝ่ายชั่ว จิตส่งเข้ามาข้างในเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีอย่างที่พวกเราภาวนาแล้วก็จ้องอยู่กับตัวเองเนี้ยมันผิดนะแต่เป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีตรงที่หลวงพ่อทำเนอะไม่อยู่นอกไม่อยู่ในว่างสว่างอันนั้นเรียกว่าอาเนชชาพิสังขารปรุงแต่งฝ่ายที่จะไม่ปรุงแต่งนะไม่ไม่ส่งนอกไม่ส่งในไม่ส่งไปไหนเลยปรุงการไม่ส่งไปอยู่ที่ไหนเลย ก็คือความปรุงแต่งเพราะมันผิดทั้งสามตัวนะมันผิดทั้งสามตัวเมื่อไรปรุงแต่งวานนั้นผิดหมดแนะจะปรุงชั่วปรุงดีหรือปรุงความไม่ปรุงก็ผิดนะตัวพ่อตัวแม่ของมันที่ทำให้ไม่ปรุงหรือตัวอวิชชานะเป็นตัวพ่อตัวแม่ของความปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยได้คำสอนของพระบาจานะหลวงปู่ดุลไม่ให้ส่งออกนอกหลวงปู่ สิมไม่ให้ส่งเข้าข้างในนะท่านบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกนะท่านรู้ด้วยนะะไม่ได้พูดกับท่านสักคำเลยท่านรู้ว่าเราเข้าไปหากิเลสข้างในนะเรารักษาไว้ตรงกลางจันทร์บนจันทร์มะีขยครูบาอาจารย์สาม โ, นะาจจาโมงนะซัดเราจนกระทั่งมันไม่เหลือช่องให้ปรุงนะปรุงอย่างนี้ก็ผิดปรุงอย่างนี้ก็ผิดไม่ปรุงก็ผิดนะไม่ปรุงก็คือปรุงอีกแบบหนึง่ง เด็กเติบโ ต, ตมาได้ด้วยถูกครูบาอาจารย์ดูดาว่ากล่าวมากนะ็เคารพรักครูบาอาจารย์ที่สุดเลยนะใจยไม่เคยคิดปรามารถร่่งเกินเยเคยล่งเกินครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งหลงพู่เทศนะเราไปนั่งอยู่กับท่านนะเวลาหลวงพ่อไปหาท่านเนี่ยพระกุถากเห็นหลวงพ่อพปนะุ๊เนี่ยให้นั่งอยู่ขลางหลว ง, งปู่ก่อนให้หลวงปู่รับโยมก่อนเอาคณะที่หนึ่ง เอาไหวไปภาวณากร่าบ เ, าเชิญคณะที่สองเข้ า, าหาหลวงปู่เทศได้แค่นี้เองนะตอนท้ายๆท่านอายุเยอะแล้วได้ไปกลาบเฉยๆกลากรากลากลับๆๆาทีละกลุ่มทีละกลุ่มเอาละทุกคนรับพรรับพรจำไม่ได้แ ล, ล้วรับยังไงท่านท่องแทนดึงหลวงปู่หรื อ, อยังไงจำไม่ได้หรือ เปิดทพหลวงปู่หรืออะไรจำไม่ได้แล้วะอ้ารับพรเสร็จแล้วเชิญออกไปหลวงปู่จะพักพร อ, ออกกันหมดเหลือเราอยู่ซ่อนอยู่ข้างหลังคนเดียวท่านจับซ้อนเหมือน้าวเป็นเวลาของเรานะ้หลวงปู่จากที่นั่งนิ่งๆนะหลวงพ่อจะถามธรรมะท่านกระปีก้กระปรักเลยเข้าไปส่งกันบ้านกับท่านหมดเวลาแล้วล่ะ เอาแค่นี้นะนิะ <c oughs> นมนต์อะไรครับ